ฟังเทศต่อไปการฟังเทศต้องจับจุดให้มันได้คือจับหัวใจของการฟังเทศนั่นเองจับหัวใจของการเทศนานั่นเองหัวใจมีตรงไหนให้จับตรงนั้นน่ะโนกรีตัศ ต่างๆทุกอย่างคนก็ดีถ้าจับห้อยใจได้แล้วทิ่งื่้นอื่นมดมั่ก็อยู่ในตัวมันอยู่ในใจนะนะจับใจได้ก็เรียกว่าหมดหมดผัหมดเรื่องที่ง่นวงมดอยู่ที่ห้วยใจแห่งเดียวธรรมเทศนาประจับห้อยใจคือธรรมเทศนาที่ท่านแสดงก็นั้น จับหัวใจให้มันได้มัวใจคือข้อความที่ท่านเทศนานั้นมีประสงค์อะไรจุดหมายปลายทางอะไรในธรรมเทศนานั้นท่านเทศนานมากๆเส็นเคลื่อนปีกย่อยออกไปแต่ละอย่างละอย่างก่วงควางไปย่าไปหลงตาม ไปลงคิดนึกตามนั้นไม่ได้ของจดจำตามนั้นไม่ได้ให้จับว่าจุดเดียวจับว่าจุดเดียวแล้วปีกจ้อยมันออกไปจากนั้นทั้งหมดการเทศนาก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันผู้ฟังก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันจึงจะกลมคืนกัน ทางพุทธเทศกุฝังผู้ฟังไดยส่วนมากไม่จับจุดสำคัญเขาจะเปลือกๆย่อยอยยอกไปพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าตะจตจัสราโลท่านบอกว่างนั้นเอาเปลือกมาเป็นแก่น หาแกน่นหาเอาเปลือกอาเป็นแกน่นหาสาระไม่ได้เปลือกมันมากกว่าแกน่นธรรมาเทศนาก็เช่นเดียวกันปีกย้อยเล็กๆกงน้อยฟ้าละพัดทุกอย่างเพื่อแสดงเข้าใจท่านน่ะให้เข้าใจความหมายนั่นน่ะที่ปีกย้อยออกไปกุ๊แต่คนนั้นไปนหลงออก ตีกย่อยเมื่อนั้นะจับเอาแกงแ้วไม่ได้แกนในที่นี้หมายความถึงว่าทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดก็มุ่งหาแกงแต่โดยส่วนมากไม่ใช้อเอาแกงเขาจะเปลือก ย่างมาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะต่างนิสัยใจขอต่างคู่ต่างคนความกระทบกระเทือนเดือดร้อนเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นตลอดถึงสถานที่อยู่อาศัย ไม่พออกพอใจไม่สบกับอารมณ์ของตนเกิดขึ้นในใจเหล่านี้แหละเอานั่นเป็นแกนใช่ไหมคล้องใจยึดต่อเรื่องเหล่านั้นติดจใจในเรื่องเหล่านั้นไม่ละทอดทิง้งทิงเหล่านั้นอย่าเป็นนิสัยติดไปภาย้างหน้า แทนที่เราจะมาสะละปล่อยว่างเลยมาเอาของนันตมาเป็นอารมณ์เพราะอนานต้ได้แตของพนันคิดนิกได้เตื้องหรอท่าน <c oughs> เลยเป็นนิดใสอย่างเอาพูดกันว่า คนนี้ใส่ขี่โกรธคนที่คนนีใส่งุดหงิดคนนี่ใส่มีอารมณ์เดือดร้อนคนชอบคิดชอบนึกระแวงสิ่งต่างๆพูดง่ายๆเลยว่าคนโลกเซนภาษ า, ศาศตัวแล้วกันคนโลกเซนภาษาเนี่ ไม่สามารถจะทำได้ไม่สามารถจะทาสมาธิได้นั่นแหละเรียกว่าเปลือกเป็นเก่นพาะวนาก็มีแต่เรื่องแต่ล้วเกิดวุ่นวี่วนวายสำหรับทุกอย่างคนที่ภาวนาเกิดอารมณ์ต่างมีอารมณ์ต่า ง, างเกิดขึ้นมา เป็นภาพเป็นนิมิตให้ปรากฏแล้วก็ถืออันนั้นเป็นอารมณ์อันนั้นก็เอาเปลือกเป็นแก่นอันหนึงคนที่ภาวนาเป็นจนกระทั่งจิตใจรวมลงไปนิ่งแนว่วจนลื ม, มเนื้อลืมตัวเรียกว่านั่งหลับ ขาดสติเข้าใจนั่นเป็นแก่นแล้เข้าใจว่าตนดิบตนดีวิเศษวิโสคนภาวนาเกิดอารมณ์ต่างคิดนึกปรุงแต่งเข้าใจว่าตนดิบตนดีมในที่สูตรจิตไม่รวมลงไปได้เพราะนั้นเนี่ยเรียเปลือเป็นแก่น พูดกับพูดเธอเรื่องมีลูกศิษย์คนหนึ่งคนแก่แล้วทั้งหลายก็าภาวนาดีดีสงบเยือกเย็ยนแต่แก่เ่านั้นก็าภาวนาปุ้งแต่งวัะสะรพัฒทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนไปเก่าเปยค้าขายทามาให้กินอย่างนั้นอย่างนี้เคยสร้างกนกขันน้ำท่าเมืองฝายจะทานา รุ้แต่งไว้ไม่มีหยุดไม่หย่อนเห็นหมู่เพื่อนที่ภาวนาทงความสงบ่ห้าว่าคนไม่มีปัญญาเจรเลยยกโทษดูทุกหมู่เพื่อนแคนนี้หมู่เพื่อนมาศึกษาธรรมะพูดถึงเรื่องจิตหลวกจิตเป็นสมาธิ มันมีอารมณ์เอกก็ตาอารมณ์มีอารมณ์อันเดียวและจิตแย่เวอรบวานสวะสว่ะแกพูดไอหมูเพื่อนพูดนาที่จะพ่หนาอัตมาถ้าแกคนนั้นสงสัยเอ๊เป็นยังไงจิตรวมนี่ทำไมไอจิตตัวมเป็นยังไง ท่านมาเล้ถามว่ากิจต้องแกยังไงเรียกว่ากิดรวมไปไงกิต้องแกแกก็บอก3เรื่อง่ะที่เล่ามาแล้วมันตรงนุงมันแต่งว่าคิดเนสตสรพพะทุกอย่างไม่มีหยุดไม่ยัง้งเป็นของวิเข้าใจเป็นของวิเศษอันนั้นให้ผลที่สูแก่ เลยอยู่ก็จะมาไม่ได้เลยหนีไปอีกแห่งไปสำนักอีกแห่งหนึงเมื่อห น, นีไปก็ไปไปบวชเป็นพระไปบวชเป็นพระแล้วก็ไปพิผิดนอกรีดนอก้อยผรัดพัทุกอย่างตามเรื่งองของแกเลยผิดอบัติเพื่อนเาเป็นเหมืนกนพิอาาดอบัติทาเหมือนกันเพิดอบัติแกก็พูดว่า ปลาถ้าเป็นตนในตัวมีเกี่ยวมีงาเนี่ยไม่เห็นกัดเลยไปใหญ่เต็จ้ตอยู่กับหมูเพื่อนก็ไม่ได้ไอคนที่ซื้อะหนี้ไปทุกแห่งทุกคนไอนี้ข่าวเข้าเขตพมาไอนี้ตายได้ยังก็ไม่ทราบนั่นนะ่ะเอาเปลือกเป็นเกมันเป็นอยางงเนี่ะ เพราะนาทำสมาธิมันจิตฟุ้งซ่านเข้าใจว่าปัญญาดี <c oughs> เข้าใจว่าตนมีเฉลียวฉลาดเกิดจากอารมณ์ความคิดความนึกควบมุึงควงแต่ง อ, อวดตนอวดตัวว่าตนวิเศษทีสู แ, แนงกระเรียกเอาเปลือกเป็นแก่นนอกจากนั้นอีกเมื่อทำสมาธิภาวนาจิตที่เป็นอารมณ์เกิดจากอารมณ์ที่พุ่งสร้างความฟุ่งสร้างในที่นี้หมายความทีงพุ่งส่งออกไปภายนอกที่ส่งออกไปนอก เข้าใจว่าอยู่ภายในว่าเข้าใจว่าอยู่ภายในจิตที่ส่งออกไปนอหนะเข้าใจว่าจิตอยู่ภายในจริงอยู่จิตเมื่อกํำนดพิจารณาอยู่ภายในแต่มันส่งสายเรียกว่าอยู่ภายนอกคือมันนอกจากตัวนอกจากจิตของจิตที่มันคิดเนี่ยเฉพาะในจิตนั่่ะมันอยู่เฉพาะในจิตน่ะ แต่มันต้องส่งออกไปไภายนอกเช่นเห็นรูปเห็นนามอะไรต่างๆปุ่นวี่วนวายไปหมดเห็นจริงศรลปะต่างๆหมดอันนี้เรียกว่าส่งภายนอกไม่อยู่เฉพาะตัวเองถ้าหากอยู่ภายในไม่เป็นอย่างนั้นพิจารณาสิ่งใด ใจนั่นแนวแน่อปอดภเห็นอนิจจังทุกขังนาตาลงสภาวะเป็นจริงแล้วก็ไม่ออกไปภายนอกอ น, นั่นจึงเรียกว่าคิตอยู่ภายในคิดอยู่กับใจแท้พะนั้นนั้นเป็นแก่นแทนะ้นที่ส่งออกไปนอกเป็นเปลือก คนที่ไม่เข้าใจเปลือกเลยไม่เข้าเข้าใจแกนย่อมจับทิดจะจะพูดจะโผลนั่นสิ่งที่ตนเห็นความไม่รู้นั่นแหะคนไม่เข้าใจเหตุนั้นต้มาเ ย, ยื่อบอกว่าเป็นอะไรก็เอาเถอะขอให้เป็นแล้วก็แล้วกัน ให้เป็นคอยพิจารณาให้มันชัดเจ น, เนแจน่มแจ้งด้วยใจของตนเองขอให้เป็นนานๆานแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นบ่อยๆเป็นนานๆพิจารณาจะชำนิชำนานอากจะรู้ด้วยตนเองว่าอันนี้ถูกหรือผิดอันนี้เป็นแก่นหร่เป็นเปลือก ถ้าหากพิจารณาสิ่งนั้นอยู่นานๆจะพิจารณาให้มันพิจารณาก็ได้หรือจะให้มันอยู่นิ่งอยู่ก็ได้จะให้มันออกท่งสายก็ได้รู้ตัวอยู่หรือจะให้มันนิ่งอยู่ในที่เดียวก็ได้ไม่ว่าส่งไปที่อื่นที่ไกลนอกจากภอันนี้นอกจากใจ อันนั้นเรียกว่าเราจับเขียนได้ไม่ได้ส่งออกไปภายนอกให้มันชะมิดชำนานอยู่ตลอดเวลาแลวจะเห็นเห็นเรื่องของของจิตอาคารถ้าหากว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้ว เราจะรู้เรื่องของเราเวลานี้จิตใจเราเป็นอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงมีไหมความอดควมทนมีไหมจิตใจเราเยือกเย็นหรือไม่ถ้าหากจิตใจเยือกเย็นปลอดโปร่งดีนั่นแสดงว่าถูก ถ้าหากจิตใจมันยังห ง, งุดหงิดฉุนเฉียวที่โกรธใจน้อยไม่พอใจสิ่งต่างๆที่กระทบอารมณ์อันนั้นเรียกว่าผิดทานถูกหรือผิดตั้งตจใ่ตรงนี้ถึงว่าจะ ผิดมากถึงว่าจะผิดมากผิดมาเท่าไรก็ให้หรักษาไว้ใชก่อนอันนั้นอันที่มันเป็นไปแล้วค่วอยสังเกต ท, ที่หลังสังเกตเรื่องจิตของเราสังเกตตัวของเราด้วยด้วยด้วยตัวเราเองเมื่อมันถูกโดนผิดถูกมากผิดมากคือน้อยผิดน้อยมันรู้จัก ด, ด้วยตนเอง น, นี่ เ, เป็นเครื่องสังเกตถ้าหากว่าไม่รู้ว่าตัวเองอย่าเพิ่งเข้าใจก่อนเลยว่าถูกหรือผิดเท่านั้นเข้าใจตนเองก่อนแล้วค่อยเขียนรู้จักว่าถูกหรือผิดไม่มีใครตัดสินให้ตัดสินในใจตนเองธรรมดาคนเรามันต้องมีผิดมีถูก ถึงพระ เ, เจ้าของหลายที่โซดาเกิษภาคาลังคาก็มีผิดภาาดที่บ้างตามท่านรดับของท่านแต่ให้ถูกหมดไม่ได้เมื่อไม่ถูกหมดก็ต้องมีผิดอยู่ดีๆแต่ความผิดนั้นอย่างที่อธิบายฟังมีการแก้ไขในตัว คือว่าความโลภความ โ, โกรธความหลงความพี้ตื่นหนีแล้วแน่เนความใจน้อยไอ้ขี่งุงมิตรอะไรต่างๆนมันระงับด้วยสมาธิภาวนาแล้วมันที่โกรธประการด้วยประการใดให้เอานั้นอ่ะเหตุใจไหมที่โกรธ มัคิดโรคคิดโรมันด้วยไอ้ด้วยอาการนั้นแหละมาพิจารณาสมมติว่ามันผิดตรงไหนเข้าใจวันผิดตรงไอ้เข้าใจว่ามันผิดตรงไหนรู้จักบนตรงที่มันผิษนะ่ะเอานั้นมาคอยรงับคือมาพิจารณาตั้งใจพิจารณาในตรงนั้นแนะ่ะจนกระทั่ง มันหายลงไปได้ความผิดอันานั้นมันหายลงไปสงบลงไปได้อันนั้นเรียกว่าชำระโดยตั้งสติกำนดพิจารณาแล้เกิดปัญญาขึ้นมาจึงจะมีหนทางแก้ไขได้ถ้าหากว่าเกิดที่เดชโดยประการต่างอย่างคิดว่ายมานั้น รู้จักี่ว่มีกิเลสแต่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเลยเป็นนิสัยคนเราเกิดขึ้นมานะอายุสามสิบสี่ีปีขึ้นไปกระนานนั้อโขที่เดียวีิเลสดองในสันดานไม่สามารถจะ ง, งับนับศูนย์ไปได้ติดอยู่นั่นนะ่ะ เกิดขึ้นมาเรียกว่าสะสมกิเลตตรงนั้นไว้ให้ฟักอยู่ในใจให้นอนเนื่องอยู่ในใจให้ค่อยฟักตัวขึ้นมาค่อยจเจริญม อ, อกอห์อันนิสัยนัะเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติชาตนี้สะสมาเพียงแค่นี้แล้วยังไม่แล้วยังชาติหน้าสะสมต่อไปอีก ต่อไปยิ่งหนาแน่นทุกทีไม่มีวันที่จะสงบกั ง, งับสงสปได้ถ้าคอยํำระอย่างอาตมาอธิบานนั้นถึงว่าไม่หมดก็เบาบางลงไปในพรนี้ชาตินี้หากรู้ตัวแล้ว ในชาตินี้ถึงว่าอายุปานนี้แลว้วก็ตามเถอะค่อยสงบระงับลงไปตะหาถึงวันตายเจ็ดิแปดีตรีตายก็ค่อยเบาหวางลงไปอันนั้นเนียหัดยิดย้มใส่นะถ้ามันเบาหวางลงไปมีดีกว่าที่ไม่ชำระเชิด งานชำระสาธางจิตของต น, นย่อมเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะคนอื่นไม่สามารถทําได้ทุกๆคนเป็นหน้าที่ของตอนแท้แต่คอยท้าคนอื่นชำระไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ดีถ้าพูดจะเจ้าก็ดีเมื่อไรจะมาเกิดอีกก็ไม่ทราบครูคบาอาจารย์ก็นานนักนนหนาหนาซึ่งจะได้ประสบคบ คราอาจารย์ที่สอนให้เราละสอนให้เราทิ้งนั้นจริงที่มียินในใจของตนไม่ดีไม่งามเห็นนล้นอย่งางไเมื่อเรามาปฏิบัติฝึกหัดเห็นเรื่องโทษของตนเองแล้วค่อยชำระสร้างสางให้หมดไปหมดไปค่อยจะเป็นคุนแก่ตนในอนาคต้างหน้า การที่ในการที่ถือเอาสาระคือแก่นสารในตัวของตนนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนจะเป็นผลนั้นยิ่งใหญ่<ม>เกิดขึ้นมาได้เชื่อว่ามันเจียชาติเป็นมนุษย์และยังว่าพ่อพุทธศาสนายังว่าครอบครัวาอาจารย์ ใด้วยเรานำเอาสาระเป็นแกนสารางขั้ตนฝังไว้ในใจของตนเราจะเป็นไปเพื่อผ ล, ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ดังอธิบายประทนี้แหละหาแกนสารในตัวให้มันพบ ก่อนที่จะหาแก่นสารในตัวของเราได้คือต้องหัดสมาธิหัดสมาธิไม่ต้องนั่งหรอกยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแหละทุกิญยาบทได้หมดขอให้จิตเป็นหนึ่งแล้วกอแล้วกันจิตเป็นหนึ่งนั่นแะเรียกว่าสาระของตัวแก่นสารในตัว เนื้อหนังมั่งสังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมั่ของเปื่อยเน่าปฏิกูนเป็นนิ่น้าไปเลยเรายืมเข้ามาตัางหากอันนี้ไม่ใช่ของเราหรอกตัวสาระคือจิตเป็นหนึ่งป็นแกนสารในตัวของเราแท้ท่า น, นั้นไปไหนก็ไปด้วยไม่เหมือนร่างกายอันนี้ ร่างกายนี้ยืมเข้ามาใช้ชสื่อคลาวเมื่ออยู่ในโลกเอาของนี่มาใช้ใช้แล้วก็ทิ้งไปไม่เห็นใครเอาไปด้วยก็เกิดที่อื่นก็เอาของอื่นของเอาใหม่มาเกิดอีกของใหม่กับของเก่านั่นแหละไม่ใช่ของอื่นดินน้ำไปลงมเมื่อก่าน ยืมใช่เข้าไปคัอบครองครอบครางท่านจึงมาให้ถือเป็นของจริงมาถือเป็นตนเป็นตัวแต่คนเรามักถือกันที่หละถือ่าเป็นตนเป็นตัวต้องพันในยมีพิฆาจังใครมาว่าไม่ดีไม่งามใครดูถูกรู้มิน่นก็เลยกลดโกรธใหญ่โกรธโต ไม่เห็นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งไม่ไม่เห็นเป็นก้อนดินก้อนนึงก้อนดินก้อนนี้นะ ใ, ใครจะว่าก็ตามมั้เถอะประเมินก้อนดินก้อ น, นใหญ่ๆที่อยู่ตามเพื่อนมาทีนที่เราเหยียบย่ำอย่างนี้แหละใครจะว่างนะไม่ไมันกระทบกระเทือนใครว่างนะว่างนะมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะบวนนําลายมือใส่ใครขี้มูกใส่ อะไรทยังไงมาดกว่าไม่เกลียดถ่ายเจะปะสัสสาวะแต่มันก็ไม่ว่าอเลยให้เห็นเป็นสภาพของดิ่ดน้าไปแล้วกันอันนี้แหละหาแก่นสามคือจับอดจิตให้มันเป็นหนึ่งให้มันได้ท่านจับจิตเป็นหนึ่งในราคาหนี้ไม่ต้องเอาอื่นัปความเดียวเท่านั้น จิตเป็นหนึ่งมันเป็นยังไงคะนี่มันไดเกิดไหนมันทำไมมีที่เกิดใช่ปีมันจิตจิตเป็นหนึ่งยังเหลือแต่จิตเดียวมันจะไปเกิดไหนรูปร่างก็ไม่มีเลยครับวันที่มันมีรูปร่างนี่มันมีจิตหลายอย่างมันปรุงมันแต่งมันสร้างทุกอย่างแต่จิตเป็นหนึ่งก็ไม่มีปรุงไม่แต่ง เป็นตัวกลางๆมันจะไปเกิดที่ไหนตั้งทำสมาธิเองให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นหนึ่งแบบเมื่อมันจิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งก็ให้พิจารณาของอันนีนะ้ในตัวของเราคือกายคือตัวตัวของเราเนี่ยที่มันถือเนะี่ยมันไม่เป็นหนึ่งเพราะมันถือมันยึดมันถือนะี่แหละ พิยนาธาสีน้ําไปลงเห็นชัดตามเป็นจริงออกไปจนกระทั่งมันปล่อยว่างมันเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจิตที่เป็นหนึ่งนมันเป็นบางครั้งบางคราวถ้าเมาชำนี่ชานาถ้าชํานี่ชานาเนี่ยเห็นแต่เด้งอยู่ตลอดเวลาครั้งแรกชำนานั้นเห็นเป็นบางครั้งบางคราวกลับไก็เห็นเป็นมากไปอีกและ จึงให้พอนาเบื้องต้นที่ว เ, เบื้องต้นแต่มันถึงที่สุดนะล่ะมันจิตเป็นหนึ่งแล้วมันถึงที่สุดนะไม่เกิดเบื้องต้นคือหัดเบื้องต้นหัดให้เข้าถึงจิตเป็นหนึ่งคือถึงที่สุดของจิตการชึกหัดจิตคือด้วย หัดเท่าไรก็หัดเถอะหัดเท่าไรหัดมากเท่าไรก็หัดเอถอะเขาจะหัดยังไงก็เอาถึงที่สุดคือจิตเป็นหนึ่งครับแน่เนื้นอกเหนือจากนั้นหอกส่วนอุบายสัญญาที่จะเกิดขึ้นมันก็นแล้วแต่ของบุคคลคนไหนแล้วแต่บุคคลจะมีนิสัยวาสนาต่งตางๆครับ นิดใสผ่ผู้แปวผู้เปรี้ยวเปาวก็เกิดพ่วงขวางผู้ไม่เปเอามาเปรียวเปา่าก็เฉพาะจิตเป็นหนึ่งเอาละเท่า น, นั้นแหละไม่ต้อง อ, อึดไกรฮัดอันนี้เรียกว่าหัดชั่วะจิตของตนให้มันยังเหลือแใจจ่ายขานี้จิตถ้ามันเหลือใจแด้ขานี้ขันเป็นหนึ่งมันเหลือมันเหลือแตจใจใจคือของกลาง ว่างเฉยไม่มีอารมณ์อะไรหรอเรกเรียกว่าใจคนเราถ้าเห็นจิตเห็นใจเท่านี้ก็พอไม่ต้องอื่นใคลจิตเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่ง เ, เป็นผู้คิดผู้นึกั้งเมื่อคิดนึกเห็นอาการคิดนึกกันเป็นของไม่เฉียงทาวอนถ้าเก็เบื่อหน่าย สระวางลงไปจนเป็นใจทันใจที่ความต่อโตงวางเฉยอยู่คนเดียวแต่ให้รู้ตัวอยู่อันนั้นเรียกว่าใจเห็นเทนี้ก็พอไม่ต้องเห็นอื่นไกลให้ได้เทนี้ไม่เอาอื่นไกลอ่ะวเอาทาสมาธิภาวนาต่อไป นิ่งก็มีเยอดังละรับสิงเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหนในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หายเราสระลงปัจจุบันไม่ต้องไปคิดห่วงกังวลของขนบเบื้องต้นเราต้องเอาคำบริกรรมจะเอาพุทธโคกเอาเพือจะเอาอนาปารสีไดใถ้าไม่ มีคาบริกรรมไม่สราบมันจะไปอยู่ด้วยประการใดมันองมีคาบริกรรมจิตไม่มีตนมีตัวเอาไปยึดเอาคาบริกรรมมาตั้งไว้แล้วก็จิตมันไปยึดเอาคาบริกรรมมันนั้นพุโทโธพุโทโธหรืออนาปสติกเอาแค่เอาเดียวจะเอาได้ก็เอา จิตมันก็จัดจ้องใน้สิ่งนั้นจิตไม่มีหลายอย่างแต่จิตไม่มีหลายคนคนเดียวเท่านั้นการกระจัดจ้องนั้นมันไม่แค่กังวลเกี่ยวข้องถึงเรื่องอื่นไกลมันก็เป็นสมาธินัซะ ส, ส, สมาธิอยู่ใกล้นิดเดียวฝึกหายปฏิบัติต้องการให้เป็นสมาธิทางนั้น เมื่อเป็นสมาธิแล้วค่ะนี่รักษาสมาธินันไว้จะรักษาได้นานถ้าได้ก็รักษาไปเถอะเอาเป็นปีๆเอาเป็นสิบปีๆ่นน่ะอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไปก่อให้เกิดอีกแล้วให้เกิดให้ใหก่อ ใ, ให้เกิดวุ่นวายอีกแหละนั่นเป็นหลายอย่างไปอีกหลายจิตหลายใจไปอีกแล้ว มันนิ่งแน่วเป็นสมาธิอยู่อันเดียวอันนั้นเรียกว่าถึงสมาธิแล้วสมาธินี่ที่จะฝึกหดสมาธิมันต้องเห็นจิตเสียก่อนเห็นจิตของตนเสียก่อนผู้คิดผู้นึกกนนะ็คือจิตผู้ส่งพุษษายสามาต่างๆนั้นเรียกว่าจิต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 ในการที่จิตสงสัยุ่นวายทั้นว่าเห็นโทษเบือในายสลระมดยังเหลือจต่จิตตัวจิตตัวเดียวคันจิตคือตัวคู่คิดคู้นึกแต่อย่าไปเอาการคิดการนึกมาเป็นอารมณ์ให้เอาคู่คิดนั่นแหละจักคิดนั่นแหละู้นึกผู้สรงใยนะกู้หนึ่ง ผู้มัสงสัยแกบ อ, อกคุณนั่นแล้วมันจะรวมมาเป็นใจคือผู้รู้เป็นใจละครจิตกับใจมันต่างกันอย่างนี้แหละจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้ท่าไม่คิดไม่นึกผู้แต่งแล้วก็เป็นใจคือผู้รู้เฉยไม่คิดไม่นึก เฉยอยู่ถ้าอยากจะสังเกตให้รู้ตัวใจต้องทำอย่างนี้ต้องกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งทานนมไม่ใจเลยไม่มีหรอกคงจิตเฉยเลยแต่รู้จักว่าเฉยรู้จักว่าเฉยคู่เฉยเท่านะั คือเป็นตัวใจนั่นนะทงเราจะสังเกตในตัวใจแต่ว่าการหัดอย่างนี้เพื่อทดสอบเห็นความจริงของมันแล้วมันจะต้องสบายลมหายใจออกไปมันก็ฟุ้งซ่านไปอีก ส, ส่งสายไปตามเรื่องเมื่อมันทรงสายมันก็เป็นจีตขาหนึ่ง ใจคือผู้เป็นกลางไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตนในตัวอยู่ในว่านในเรือนใด้หรือตัวใจให้ตัวจิตตัวนั้นให้มันอยู่ไหนก็ได้ให้มันอยู่กับต้นไม้ภูเขาก็ได้ท้ออยู่ในฝ่าในโลกก็ได้ไม่อยู่ในตนในตัวนี่ก็ได้สุดแล้วจะเอา แต่ตั้งไว้ตรงไหนมีความรู้สึกตรงนั้นนั่นแหะตัวใจในนั่นแหะตัวจิตไปรู้สึกกันถ้ า, าหาก็เอาเเอาเอาอาจิาาตต้นนั้นไ ป, ไปรู้สึกในตรงนั้นเป็นรู้สึกในสิ่งใดแล้วให้จับเอาคู่รู้สึกนั้นจะไปจับเ อ, อาอาการอาการต่างๆให้จับเอาตัวคู่รู้สึกนั้นก็จะได้ใจอีกเหมือนกันใจนั้นมันอยู่ไในกระตามเธอ นอกไปว่านายไม่ว่าแล้วเราฝึกหัดปฏิบัติพ่อนากรรมฐานต้องการอบรมใจไม่ต้องการอบรมจิตและจังไม่้องการอบรมใจอบรมจิตผู้นี้แะให้ตั้งสติควบคุมจิตพวกนี้แะยืนเดินนั่งนอมนิยาบทใดก็ดี รู้ตัวว่าเรากำะนดจิตเราเห็นจิตคิดนึกสงสัยจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็เอาครับมันทัองเป็นสมาธิในตัวเท่านี้เราไม่มีอะไรห่อการฝึกหัดอบรมพนานต้องการให้เห็นจิตเท่านั้นแหละมันจะไปได้ก็เอา มันออกแล้วมันเข่ามันหยุดมันอยู่หรือมันนิ่งอะไรต่างรู้เห็นตัวมันอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นรู้เห็นมันอยู่งั้นเน่ยมันจะมีเวลาหนึ่งปล่อยวางความอันที่มันคิดมันนึกมันปรุงมาแต่งนั้นมันจะรวมมาเป็นใจอย่างอธิบายให้ฟังมแล้วมันรวมออมานันมันก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนเรามันหักรวม มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้คิดตัวนั้นจะต้องการให้มนเป็นอย่างนั้นเน่ะพึ่งหัดสมาธิใจใจควหมายขวาวมาของเป็นกลางเรียกว่าใจจริงนะพวง ม, มดขอ ง, ของเป็นกลางเราเรียกว่าใจไม่ต้องเอาไปคิดไม่ต้องเอาปรุงไปแต่งอะไรทั้งหมด ไม่ต้องอยู่นองอยู่ไหนแต่ของไปกลางกลางของที่ไม่ดีไม่ชัว่วแตงไปกลางกลางนชั่วก็เป็นสมมติเ่าชั่วนั้นเป็นทั้งทางซ้ายใช่ดีนะั้นเป็นทางขวาแต่มเป็นป ต, ตรงกิ่ตรงกลางลนะั้นเน่ะตัวใจแค่นะ <c oughs> ใจเป็นของกลางอย่างเขาเรียกว่าใจ ใจอะไรก็ตามโดยใจมือใจไม้ก็ตามใจคู่ใจคนก็ตามเถอะเป็นของกลางใจต้องชี้เข้ามาตรงหน้าทรากลางอกนี่แหละตรงกลางๆนี่แหละใจมือก็ชี้ก็ตรงฝ่ามือตรงกลางมือนี่แหละใจเท่าใจแรงต่างของกลางเรียกว่าใจถ้าจะให้รู้ใจให้เข้าใจอย่างนี้ยังจะค้นหาใจให้มันถูก คนหายใจลองดูอธิบายฟังแล้วค้นหาลองดูตรงไหนเป็นใ จ, นจตั้งจิตงไะต้องค้นหามันก็เห็นนั่นแหละมันยุ่งวุ่นวายไปทุกริงทุกพัฒน์แคมันส่งสายนั้นๆนั้นตัวจิตมันเห็นนั่นหลตัวใจแท้นั่คืออะไรมันอยู่ตรงไหนกัน พูดนย่างพูดทุกคนนะ่ะใครก็มีใจทุกคนนะ่ะพูดถึงเรื่องใจก็อยู่ตรงไหนก็พูดเข้ามาชี้ว่าท่ามกลางเนี่ยหน้าอกนี่นะนี่หละหัวใจหมายความถึงก่อนหัวใจคือหมายความถึงคัตไทวัตถุมันเรียกว่าหัวใจเ่านั้นเรียกว่านหัวใจแต่แท้ทีจริงไว้ใจ นนั้ทั้งหยใหม่เขาเราเรียกว่าสมองเป็นหัวใจเป็นใจคือผู้คิ ด, ดนั่นก็ไม่ใช่อย่างเดียวกัหาว่าสมองหาว่าตายลองดูแิคตอนนี้สมองไม่ได้ไปกับคนตา ย, ยด้วยหรอคนตายก็เกิดในที่ต่างๆเลยแต่สมองไม่ได้ไปด้วยนั่นยังว่าไม่ใช่ มันเสพใจใจไม่ได้อยู่ที่สมองหรอกแต่เป็นสำนักงานสําหรับคิดนึกปรุงแต่งภาษาท่าภาษาเรียกว่าความคิดภาษาเป็นเครื่องส่งให้คิดให้นึกปรุงแต่งตัวผู้คิดผู้นึกมันต่างหากผู้ปรุงผู้แต่งมันต่างหาก ใจแท่นั่นไอ้จิตแท่นั่นอยู่ไหนก็ได้อยู่ข้างล่างข้างบนอยู่ฝ่ายมือฝ่ายเท้าได้ทั้งหมดแม้จะอยู่ต้นไม้ภูเขาต้อก็ได้อยนอกกายของเราได้หมดถ้าเอาใจไปไว้ตรงนั้นเนาะถ้าคิดถึงโน้นนี่ยมันเนี่ยอยู่โน้นอ่ะเช่ น, เ ห, นเห็นลูกเห็นหลานเห็นตัดสารสิงต่างมันเจ็บมันปวดเนาะ ตายกูตายเหรอะอันที่จริงไม่ใช่กูตายอันตัวมันเจ็บจังหกักตัวนอกมันเจ็บจังหกักเอาใจไปไว้หนะํา่งนตายกูตายหรอหาว่าเราตายความคิดของมนึกสงสายไปในสิ่งตา่างๆฟุ้งแตกเพีย ง, งว่าไปไว้ไหนมันก็อยู่หรอก ผูหัดทำสมสาธิภาวนาจริงๆแล้วลองเอาไปไว้ที่มือลองดูมันอยู่ปลายมือคุณเอาไว้ปลายเท้าเมื่ออยู่ปลายเท่าเไว้ปลายผมเมืออยู่ปลายผมคุณเอาไว้ท่ากลางแล้วอกเมื่ออยู่ท่ากลางในอกอนีุยใจหมายความเรื่งของกลางไม่มีอดีตไม่มีอนาคต ลงปัจจุบันเลยลองดูเราคิดดูอดีตเขาออกไปใชปะอนาคตก็ออกใชะอดีตที่ลวงแล้งไว้ต้องคำนึงถึงหมด น, นะอนาคตที่ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องคำนึถึงมดแล้มันจะมีอะไรแล้วผ่านีน่มันเป็นกลางอยู่ข้างกลางของว่างเกล่าน่ะสิ นั่แหลตัวใจคือมันเฉยเฉยแต่ความเฉยเฉยรู้จักวความเฉยเฉยไม่ใช่มันเป็นกลางแล้วไม่มีความเฉยเฉยอันนั้นเรียกว่าของกลางเฉยเฉยของกลางไม่ใช่เรียกใจใจของกลางมันต้องมีเฉยเฉยรู้จักว่าเฉย ความเฉยๆนี่คล้ายๆกับว่าผู้ฝึกหัดอัปปนาสมาธิแล้วคล้ายกับอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิไปอีอย่างอันนี้มันไม่ถึงอัปปนาสมาธิอยากจะให้เป็นกลางเมือ่อใดก็ว่างเฉยๆมันก็อยู่ได้ส่วนอัปปนาสมาธิหัดคิตละเอียดๆลงไปจนหายเงียบ ไม่มีสิ่งอื่นมีแต่จิตอันเดียวอพราะนั้นเรียกว่าปัญหาสมาธินี่หาตัวนี้แล้มันเห็นค้นหาตัวนี้เห็นแล้วฟันนี้เราอยากจะทําให้เป็นใจ่อะ้รก็ทําได้มันเลอะร้อนวุ่นวายมันคิดตรงสายกราพัดทุกอย่างเพระนั้นเรียกว่าเป็นจิตเราไม่ทําแล้วเราไม่เอาเราจิตตะขัน เรปล่อยวางว่าเอาเข้ามาถึงใจนะมันรวมเป็นใจมันก็สบายให้หาตรงนี้นะหาตัวใจไม่ต้องไปหาที่อื่นดอกมีทุกคนมีแล้วทุกคนทั้งนั้นเน่เราเกิดมาตั้งแต่เกิดคุณนะใจจะไม่มีมาแต่เกิด แต่หากไม่เห็นใจมีแต่จิตใชใ้เราไปนั่นะรอบด้านทุกคิดทุกทางใช้ให้โกรธให้หลงใช้ให้มัวเมาประมาทเพื่อเกินรูปหลงถ้าเราปฏิเสธอย่างแม้ที่สุดจะร้องไห้ลงโหกก่บมันก็ใจเราเพราะน่ตัวใจมันใช้เราเข้าถึกจิตแล้วไม่มีคอามเพลันหายไหม นั่นริงว่าเราใช้ใช้เราจิตใช้เราไม่ใช่เราใช้จิตถ้าเราใช้จิตแ้วการเนี้ยเข้าถึงใจแล้วกันมันจะคิดจะนึกสงสัยต่างๆทะูุเท่ารู้ตัวอยู่มันได้ไม่ได้มัวเมาลุบหลง